ส่วนข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินะมักมีองแปดนี่เลยชื่อว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปมักแปดมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะฮะนี่น่าคิดมีรูปเป็นอารมณ์แล้วสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงนะถ้าโจทย์นะมีรูปเป็นอารมณ์โดย เป็นอารมณ์ของสัมมาทิฏฐิเป็นอารมณ์ของสัมมาสังกัปปะคิดยังไงเป็นสัมมา Punkte, สังกัปปะกับรูปพูดถึงรูปยังไงเป็นสัมมาวาจาพูดเกี่ยวกับรูปยังไงเป็นสัมมากรรมตะเกี่ยวกับรูปยังไงเป็นสัมมาชีวะทํากับรูปยังไงเป็นสัมมาวายามะมีสติระลึกรูปว่ายังไงเป็นสัมมาสตินะสงบในรูปยังไงเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยนะอันนี้แหละที่เรียกว่านั่นอะคือข้อปฏิบัติให้ถึงความ ดับรูปมันมัดแปดโดยมีรูปเป็นอารมณ์เนี่ยนะทีนี้ถ้าจะให้มีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ต้องเก้าล่วงรูปให้ได้อ่ะถ้าเก้าล่วงรูปแล้วก็นั่นแหละสำคัญในสัตตฐานสูตรเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์แสดงรูปเหตุเกิดความรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปอัศธาแห่งรูปอารทินะวะแห่งรูปนิสรณะแห่งรูปและพระองค์ตรัสว่า เมื่อรู้อย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปอย่างนี้นะผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติตีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในโลกนี้คือข้อปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปนั่นแหละเรียกว่าข้อปฏิบัติชอบในศาสนานี้นะครั้นผู้ที่ปฏิบัติชอบอย่างนี้ชื่อว่าอย่างลงในธรรมวินัยนี้ พก็แสดงว่าศาสนาที่ปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกําหนัดรูปเพื่อดับรูปจริงมีผู้ศาสนาศาสนาเดียวศาสนาโดยมากสร้างรูปซะส่วนใหญ่แต่ของเรานี้เป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นศาสนาที่เรียกว่าเพื่อดับรูปนะนีหน้าเขาต้องการรูปพระพุทธเจ้าสอนให้ดับรูปเลยไม่ค่อยรุ่งเรืองกันเลยในยุคนี้นะกะเขาจะสร้างรูปแต่ท่านมาชวนเขาดับรูปได้ยังไงไะ เพราะฉะนั้นข้อพระเสขะนะพระเสขะผู้ปฏิบัติในศาสนานี้คือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับรูปเรียกว่าสัมมาปฏิบัติหรือสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีในที่นี้หมายถึงอย่างนี้นะผู้ที่ปฏิบัติดีแบบนี้เรียกว่าอย่างลงในธรรมวินัยนี้อันนี้พระเสขะนะถ้าพระอเสขะพระอรหันต์ดานปฏิบัติยังไง ภิกษุผู้รู้ยิ่งฐานะเจ็ดอย่างนี้แล้วหลุดพ้นไปเพื่ อ, อเพราะอะไรทำไมท่านจึงหลุดพ้นอย่างรูปเพราะท่านเบือ่อนายเพราะท่านคลายกำนัดเพราะท่านดับรูปโดยไม่ถือมั่นในรูปเรียกว่าผู้ผหลุดพ้นผู้ที่หลุดพ้นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกิจเสร็จแล้วไม่มีวัตตะเพื่อการปรากฏอีกไม่มีรูปให้สร้างขึ้นอีกต่อไปอันนี้คืออเสขาในศาสนานี้ น, นะพอสรุปใจความได้นะว่า พระพุทธเจ้าสอนเรื่องรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปอาัศทาะรูปอาทีนวะแห่งรูปและนิสรณะแห่งรูปผู้ที่รู้จักรูปอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเรียกว่าปฏิบัติ ด, ดีเรียกว่าสุปฏิปันโนนะถ้าผู้ที่ปฏิบัติพน้นเสร็จแล้วล่ะก็คือผู้ที่เบื่อหน่ายคลายผู้ที่หลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะความคลาย กำหนัดเกี่ยวกับรูปโดยประการทั้งปวงเรียกว่าผู้ทํากิจเสร็จแล้วผู้นั้นจะไม่สร้างรูปถ้าเราเจริญไอ้มหาพูดกรรมฐานเนี่ยเจริญธาตุกรรมฐานเป็นหลักเนี่ยจะรู้ว่าคนที่ปฏิบัติชอบในโลกนี้จริงๆคือคนที่ปฏิบัติเพื่อออกจากมหาพูดตามแนวผู้ศาสนาถือว่ามหาพูดนี้เลวร้ายมากนะในสายตาพระพุทธเจ้านะมหาพูดนี้ใช้ไม่ได้เลย พันมหาพูดนะถ้าคนมุ่งจะเอามหาพูดกับบริจาคมหาพูดให้ทานไหนดีกันอันนะั้นถ้ามองแบบมองแบบพุทธศาสนาใช่ไหมบอกมีมหาพูดมากเหลือร้อนมากอนนะผู้ไม่มีมหาพูดยิ่งกระหายต่อมหาพูดนะถ้ายังตัดฉันทราค่าไม่ได้นะในบรรดาผู้มีฉันทราค่าในมหาพูดมีกับไม่มีไหนดีกันมีดีกว่าระหว่างผู้มีตัณหาเนะ มีมหาพูดกับไม่มีมหาพูดไหนดีกว่ากันบอกมีมหาพูดดีกว่าคนไม่มีนะเชื่อไหมโยมเดือดร้อนเรื่องมหาพูดหรือเชื่อไหมว่าฟังทำได้ฟังทำหรือถ้าถ้าเดือดร้อนเรื่องมหาพูดนะไม่ได้ฟังทำหรอกใช่เหรอมหาพูดคืออะไรคือที่อยู่อาศัยเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มยวดยานพาหนะสถานที่เรื่องค่าใช้จ่ายใช้สอยเนี่ยพวกนี้เบื้องหลังของมันทั้งหมดคือมหาพูด ถ้าไม่มีมหาพูดเนี่ยนะก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่มุ่งยึดมหาพูดปฏิบัติผิดถ้าเริ่มถ้าถ้ามีมหาพูดแล้วทำยังไงต่อไปถ้าเพื่อจะยึดมหาพูดปฏิบัติผิดถ้าให้ทานบริจาคมหาพูดปฏิบัติชอบทีนี้ถ้าถ้าอีกในหนึ่งนะั้นลึกซึ้งเข้าไปอีกนยะต้องรักษาศีลในมหาพูดนะี่เชื่อไหมศีลทั้งหมดนะั้นมีมหาพูดเป็นอารมณ์ ถ้าเป็นศีลอยู่นะในโลกของศีลตานาติบาตมีชีวิตติทรีย์เป็นอารมณ์ก็ยังเกี่ยวเนื่องกับมหาพูดรักทรัพย์ก็รักมหาพูดกาเมีก็มหาพูดพูดมุสหะก็พูดถึงมหาพูดดื่มสุราก็ดื่มมหาพูดนั่นเองั้นกินข้าวเย็นถืออุโบสถศีลก็ยังเกี่ยวกับมหาพูดประดับตกแต่งมหาพูดนอนมหาพูดที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะเกี่ยวกับศีลแปดก็เกี่ยวกับเรื่องมหาพูดนั้นปฏิบัติ เพื่อลดลดมหาพูดเนี่ยเออปฏิบัติชอบเจริญส ม, มะถะทั้งหลายก็ลดการ ม, มหาพูดที่เป็นตามออกไปเจริญวิปัสสนาก็เพื่อจะสละคืนมหาพูดเนี่ยนะปักขันธนะกับปริจาคะใช่ไหมต้องการบริจาคสละคืนมหาพูดโดยประการทั้งปวงดังั้นศาสนานี้เป็นศาสนาคลายมหาพูดจริงๆนะ จ, จอมปลวกนะจอมปลวกคือกายคายออกจากกายโดยประการทั้งปวงถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์แบบนี้เนะ ศึกษาธรรมะเนี่ยไม่น่าจะสู้ยากสักเท่าไหร่ะนะคุณรัตานาว่าอย่างนั้นไหมข้าเข้าใจว่าถูกประสงค์ว่าต้องการคลายมหาพูดเนี่ยนะผู้การว่าเรียมนพระไตรปดกยากไหยคําสอนทุกสูตรที่สอนทั้งหมดบอกว่าสรุปว่าคุณมาพูดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงล่า ม, มหาพูดเธอเนี่ยนะถ้าเธอทั้งหลายล่า ม, มหาพูดแล้วจัดเป็นไจเพื่อประโยชน์และความสุข ถ้าเอาวัตถุประสงค์อันนี้คือยอดนะและวาานะ้วค้นคว้าไปนไม่ได้ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่หรอกออันนี้ถ้ามีศรัทธานนะแต่บอกโ่าโอ้แล้วมหาพูดของเราเราอุตสาหามาขนาดนี้จะไปไว้ไหนเนอะอย่างนีจนะ ด, ดีติ ด, ต ด, ตดมาพูดมากก็จะได้เฝ้าตลอดไปไหรือไมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เนี่ยรู้ รู้จักเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเวทนานี้รู้ว่ายังไงเวทนานี้มีมีสามหรือเวทนาหกเวทนาเวทนานับหนึ่งก็ได้คือความเสวยอารมณ์นับสองคือสุขทุกข์เพราะอุเบกขารวมกับสุขนะแล้วก็แบ่งเป็นสามคือสุขทุกข์อุเบกขาแบ่งเป็นห้าโดยอินทรีย์สุขขินทรีย์ทุก ข, ขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมณัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์นับเป็นหกก็ได้ ก็คือเสวยอารมณ์ทางทวารหกเสวยอารมณ์ทางจักขคูทวารเสวยอารมณ์ทางโสตาขาน่าเชีวหากายะและมโนทวารเวทนาเหล่านี้แบ่งเป็นเวทนาสิบแปดได้ไหมจักขคูสัมผัสสชาเวทนาเอ่อมีรูปเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัตโทมนัตและอุเบขามีเสียงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์หกคูณเวทนาสามก็เป็นสิบแปดเป็นสามสิบหกได้ไหมได้คือภายในกับ ภายนอกเป็นร้อยแปดได้ไหมได้อดีตอนาคตและปัจจุบันพันเวทนาจะแบ่งโดยปริยายใดๆก็ตามนะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมราชาใช่จะหันจะซอยจะเชิญจะเชิดขนาดไหนแบ่งประเภทขนาดไหนก็ได้หมดนะนะก็เพราะว่าเป็นผู้รอบรู้ในเวทนาจริงๆกําหนดแยกแยะเวทนาโดยประการจริงๆแต่ถ้าถืออย่างใดอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าอย่างพเวทนาสองก่แสดงเวทนาสามก่อแสดงเวทนาน ห้าก็แสดงเวทนาหกก็แสดงเวทนาสิบแปดก็แสดงเวทนาสามสิบหกก็แสดงร้อยแปดก็แสดงถ้าใครถือเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเกิดอะไรได้ไหมถ้าได้ศัตรู mm hmm. เพราะว่าใครพูดต่างจากเราพูดนะ่ะผิดมดอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้บางคนนะใครพูดก็ถูกมดอีกอย่างนี้ก็ คิดให้ดีนะถูกหมดมนี่ถูกยังไงนะก็อไอถูกหมดก็เกินไปอีกเหมือนกันนะใครอื่นพูดผิดหมดอีกกว่านั้นก็เกินไปแต่ที่สําคัญนะแยกผิดแยกถูกได้เนี่ยเป็นความชอบเนี่ยนะคือขอบเขตของคําสอนแค่ไหนอะไรเป็นยังไงเนี่ยผู้ศาสนาเขาเป็นอย่างนั้นไม่เลยชงนะพอดีพอดีนั่นแหละสระะุปว่าแล้วเหตุเกิดของเวทนานะเวทนาจะมากมายปานใดก็ตามเกิดจากภาษาภาษาเกิดเวทนาจึงเกิด ถ้าไม่ได้ภาษาจะเสียใจไหมไม่เสียใจนะถ้าไม่ได้ภาษาจะโสมนัติไหมก็ไม่โสมนัตถ้าไม่ได้ภาษาจะอุเบกขาไหมเพราะภาษามีนั่นแหละเวทนาจึงมีแม้แต่ปวดเมื่อยทั้งหลายนะถ้าไม่มีภาษาไม่ปวดหรอกนะปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดทั้งหลายเนี่ยนะที่ปวดปวดที่ดีใจเสียใจทั้งหมดเกิดจากภาษาเพราะภาษามเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาถ้าดับภาษาเวทนาก็ดับถ้าภาษานั้นๆไม่มีนะ ถ้าภาษานั้นไม่มีเช่นถ้าภาษาทางตาไม่มีสวยอารมณ์ทางตาได้ไหมไม่ได้ถ้าภาษาทางหูไม่มีสวยอารมณ์ทางหูก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาเกิดเวทนาจึงเกิดภาษะดับเวทนาจึงดับถ้าจะดับเวทนาเด็ดขาดจริงๆนั้นดับภาษากับดับฉันทราคะอ่านะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยภาษาท่านยังเหลือแต่ฉันทราคะท่านดับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ดับภาษาที่เป็นวิบากก็ถือว่าจบเลยแต่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็ ยังมีฉันทราคาใช่ไหมดับภาษาภพนี้ไปถือเอาภาษาภพใหม่ไปต่ออีกนะเพราะยังเหลือฉันทราคาใช่ไหมอันพาดไอความดับภาษาจริงๆไอความดับเวทนาจริงๆก็ดับภาษะและฉันทราคาแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ข้อปฏิบัติไงข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับเวทนาก็คือสัมมาทิฏฐิที่มีเวทนาเป็นอารมณ์สัมมาสังกัปปะมีเวทนาเป็นอารมณ์ สัมมาวาจามีเวทนาเป็นอารมณ์นี่เป็นยังไงเนี่ยอันนี้แหละที่จะต้องเอามามาทําวิจัยมาไขค้นอะ่ะสัมมาทิฏฐิมีเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือรู้เหตุเกิดความดับของเวทนานั่นแหละชื่อว่าสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังกัปปก็คิดจะลีกออกจากอากุศลสังกัปะเพิ่มกุศลสังกัปปะนะโดยที่เกี่ยวกับเวทนาเพราะว่าสัมมาสังกัปปก็คิดเพื่อจะออกจาก เวทนานะ น, นะหลีบออกจากเวทนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วเพิ่มเวทนาที่เป็นกุศลให้มากๆขึ้นเนี่ยนะก็อาศัยสัมมาสังกปปะนี่เข้ามาช่วยสัมมาวาจาก็พูดถึงเวทนาอย่างไรชื่อว่าพูดชอบอ น, นะกรรมมันตะอาชีวะก็นัยยะเดียวกันเพราะว่าเกี่ยวกับอาชีวะเนี่ยนะเกี่ยวกับกรรมมันตะกับอาชีวะเนี่ยที่มีเวทนาเป็นอารมวา ศีลแปดเนี่ยนะถามว่ามาหาพูดเดือดร้อนไหมทุกขเวทนาเกิดมากหรือสุ ข, ขเวทนาเกิดมากเมื่อรักษาศีลแปดแรกเลยนะมัหิวอ่ะตอนเย็นมันหิวอ่ะเห็นไหมถ้าอย่างนั้นก็ถามว่าสุขหรือทุกทุกแล้วทําไมต้องมารักษาศีล น, นะให้มันทุกเพราะว่าสุขอันนั้นมันใกล้ต่อตามใกล้ต่ออมิตรเนี่ยนะเพราะจึงควรลดสุขถึงถ้า ถ้าทำความเพียรแล้วเป็นทุกข์นะก็ทำไปเถอะแต่ถ้าทำแล้วสำเร็จนะก็เลิกทุกข์ต่อไปคือข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้หมายถึงลักษณะว่าถ้าหากว่าอยู่สบายๆกิเลสเกิดถ้าหยิดทำตัวเดือดร้อนหน่อยนะกิเลสลดพระพุทธเจ้าท่าบอกว่าให้เดือดร้อนหน่อยนะเพราะกิเลสมันลด ถ้ากิเลสลดลงนะถ้าเพียถ้าเพียนจนอริยมรรคเกิดลดกิเลสได้จริงๆหลังจากนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนอีกต่อไปเห็เนไก็เดือดร้อนช่วงที่เจริญอริยมรรคเท่านั้นเนี่ยในย ต, ตอนแรกเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทานเนี่ยนะถ้าบรรลุอริยมรรคไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เดือดร้อนอีกต่อไปเห็นไหมแต่ถ้าถ้าสละสุขอันเล็กน้อยเนี่ยนะ เพื่อสุกอันไพบูรได้ก็ถ้าได้สุขไพบูรแล้วก็จะเห็นอู้ทำไมเมื่อก่อนทำไมเ ร, า, ราเห็นแก่เล็ก ๆ, ๆ, ๆ, ๆน้อยๆเงี้ยมันอร่อยตรงไหนแกเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ